ก็อยู่ที่หัวหน้าจะอนุมัติหรือเปล่าแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะทําได้ครับก็เหมือนผู้ชายลาบวชสามเด RTX, ือนอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ที่หัวหน้าอนุมัติแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทําได้โน้ห์น่ายินดีแล้วก็หน้าอนุมโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์แล้วก็ไอการที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ยังเป็นกรรมการในเขาเรียกว่าอะไรล่ะศูนย์ประสานงานของ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 โอ้ก็ของอนุโมทานาเลยครับ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปประชุมกับทางคณะกรรมการที่<ะ>ราชบุรี ว, รวัดหลวงพ่อสดธรรมะหลวงพ่อสดธรรมกายรามอยู่ที่ราชบุรีได้ไปประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสองวันก็ก็จะมีการประชุมกันทุกๆสองเดือนสมเดือนหรือว่า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 เหมือนเห ม, มือนมีคำทางโลกครับท่านว่าแสวงหาจุดร่ว ม, มสมวนจุดต่างโดยพุทธวจนะก็มีนะหมอรัตพงศ์แล้วครับคืออย่างเรื่องของสายอะไรต่างๆเนี่ยพรบพุทธเจ้ายังเคยพูดบอกว่ า, าถ้ า, าถ้าบุคคลใดบุคลบ ค, ลบ ค, ลบคลหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเอ้คนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนั้นก็พูดอย่างนี้ แต่บทเพยียนชนะไม่เหมือนกันนะแต่อัถฐเดียวกันเออเราอย่ามาทะเลาะกันเลยให้สามะคีกันดีกว่า อ, เ, อ, อเพราะฉะนั้นในสายทั้งห้าสายเนี่ยบทเพยียนชนะเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะพุทธเจา บ, บอกไม่ต้องมีคําบริกรรมอันนี้จริงๆพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดนะนะก็คแค่บอกไม่ได้พูดถึงคําบริกรรมเลยเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีไม่ได้พูดถึงเพราะฉั้นถ้าเขามีแล้วให้ได้มีสติเขาไม่มีแล้วให้เกิดสติเนี่ยโดยอัถฐเนี่ยมันก็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 อันนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับว่ า, าเพราะฉะนั้นเวล า, เ, าเราต้องสามัคคีกันอะ่ะอย่าแตกกันเองแล้วกเ็เหมือนกับขุ่ยไผ่ค่าต้นไผ่หรือผลค่าค่าต้นต้นไม้ผ ล, ลไม้ค่าต้นไม้อย่างเงี้ยนะเราก็ต้องคอยระวังตรงนี้คนในาศาสนาพุทธเองก็เหมือนกันอย่าด่าคนอื่นอย่าว่าคนอื่นเวลาเราไปเห็นคุณนู้นทำไม่ถูกคนนี้ทำไม่ถูกคุณด่าคุณว่าเขาเนี่ย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 ที่มีพุทธทวจนะบอกว่าการอดทนเท่ากับเราอดทนรักษาตัวเราก็เท่ากับรักษาผู้อื่นไปด้วยใช่ไหมครับใช่นี่แหละที่ชื่อว่าเมื่อรักษามมมมมมรักษาผู้อื่น <Gro en. S 2> ก็คือการรักษาตนด้วยนั่นคือรักษาผู้อื่ น, ด, ด, นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียน<ๆ>ด้วยมีเม่มนตาจิตด้วยความรักให้เ อ, อ, อ็นดูกบชื่อว่ารักษาผู้อื่นโดยวิธีสี่วิธีนี้ก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยครับแ <beschäft> <yıl> มเล็กซิงครับ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 เอเริ่มยากอกครับอีทับ <c oughs> ป, ปัจจยตา <c oughs> แปลว่าเออเหมือนกับทำทำเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุเดี๋ยวคำคำสวยๆเดี๋ยวผมนึงนึงไม่ออกแต่ว่าเคยเคยท่องได้แต่ว่ า, เ, าเรื่องอีทับ ป, ปัจจยตาก็คือว่าความเป็นไปของมันนั่นแหละ ง, ง่ายนะคื อ, เ, อเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีครับเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเมื่อ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 ปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็คือว่ามันก็เป็นคู่นี่แหละคู่ของสิ่งนี้กับคู่ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นใช่ครับอ่ใช่ครั บ, อรบเอ๊ะมันจะมีนิยามพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทอยู่สี่ข้อใช่ไหมครับใช่อใชอิทัะปัจยาตาก็จะเป็นข้อหนึ่งที่มีค ว, าว่าตัทธตาความเป็นเช่นนั่นเอง อ, อวิทธัทธตาความไม่เป็น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 สิบสอคู่หมายความว่าอันนี้อาศัยอันนี้อันนี้ก็อาศัยอกันหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็อาศัยกันไปเรื่อยๆคู่แรกก่อนที่จะไปคู่แรกต้องอธิบายเดี๋ยวก่อนก่อนนิดนึงได้ไหมครับท่านอาจารย์คือมีเท่าที่ศึกษาดูมีความเชื่อมโยงระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจสเนี่ยความความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นยังไงครับท่านอ๋อพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นทางสายกลางครับปฏิจจสมุปบาทก็เป็นทางสายกลาง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 <c oughs> เพราะฉั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรียกว่าอ๋อผัสสะมันก็มีมมอนะอ่าผัสสะมันก็มีมีการชดเชยกันอได้บ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะฉั้นตรงนี้รพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าอิ see, <ใ>นรียไงอินซีเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ครับตาก็เป็นเป็นใหญ่ในรูปถ้า ค, คุณต้องการจะเห็นรูปจริงๆคุณต้องมีตาแต่คุณใช้ผิวหนังในการสัมผัสดูรูปได้ไหมก็พอได้แต่จะไม่คมชัดเท่าตาครับอื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 อาัาสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไปบูร์อภิพุณโนแห่งวัดป่าดอนไหส่งนะครับรรครับเจริญพรเจริญพรแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปย้วเวลาเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ